Book 2 97เจ็ดเซคันตำสรรพานสี่ซุกบัวเดีเขาหลับทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่เขาหลอ Was die die nog เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้วเขาไม่มาทั้งที่เรานัดกันแล้วโทรทัศน์ยังเปิดอยู่ถึงอย่างนั้น เขาก็หลับดิเ o ฟิเอวาสอ่อนทุกไอไตอัน a ิสลบก a าบดึกแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ไอ e า s เรียตลอดทุกไตเเรานัดกันแล้วถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มาอุนเอ ทุอนครื่องทางที่เขาไม่มีใบขับขี่เขาก็ขับรถอาอทัยอปตรตถึงแม้ถนนลื่นเขาก็ขับรถเร็วเอาอตรอลไรฟนเขาขี่จกักรยาน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 ทุก raiay ฟันนักเขาเมาแต่เขาก็ยังขี่จักรยานไอเอสดรุ่งทุก r, mau, r er a i er ja ok h y ไม่ที่ฟิตเธอหางานไม่ได้ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย a ซฟันที่เย็นเวิร์กนี่เอาเฮตไซสตู e ดียร์เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตามไซคอนนีนดกเตอร์ูนีเฮไซพนเธอซื้อรถถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตามไซคูบเอ็มเตอร์เฮไซนล์น like ีเธอจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่เธอก็หางานไม่ได้ ไซฮิตก er, er ็ศึกษาแต่ฟ er ังไซฮิ e ์นว่างหนีเธอมีอาการเจ็บปวดแต่เธอก็ไม่ไปหาหมอไซฮิตป่ n ยแต่ขอไซ ni ย์นน i e ด้วย e ็อกเตอรเธอไม่มีเงินแต่เธอก็ยังซื้อรถไซฮิตขี้งค์ขาดแต่กูบไซฮิย์นม